ในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดวโรกชัดไปแล้วทางท่านจะเคยเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความทั้งัญขึ้นมาเพเหมือนอในโลกนี้จะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่ป่าดงอรกชัดอย่างนี้ไปหมด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 โลกแม้จะมีก็จะก็เหมือนไม่มีกลายถ้าหากว่าเราจะพูดแบบกลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยเทีเดียวแต่เจ้าคำว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่นึ่ยแต่คำว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนีเป็นปเพียงว่าข้อเทียบเทียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรอะไรก็ธรรมดาธรรมดานั่นต่างเดีย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 ความบุพ้นโดยลำดับหรือเพื่อความเห็นแจ้ดยลำดับนี้ก็ไม่เป็นของยากเพราะทาด้วยความพอใจทุกอาการแห่งการกระทาเรื่องที่ว่ายากยาซึ่งเคยมีในหัวใจมันก็ไม่ยากเพราะความพอใจพาภาให้ง่ายเนื้อคำว่าการเจริญของจิตพอกรุณาอย่าได้คิดคาด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 เราแก้ได้ที่จุดนี้ที่เด็ดหมดขนาดใดเป็นผู้สิ้นในขนาดนั้นเวลานั้นเนี่ยแล้วการสิ้นก็สิ้นได้ด้วยความเพียรด้วยสติปัญดาไม่ได้สิ้นด้วยด้วยนานด้วยช้าอะไรพิจารณาตรงนี้นี่นแดงอย่างใจชนะอยู่ที่จุดนี้เราแพ้เราก็จะแพ้ที่นี่คาว่าแพ้จะให้มีอีกนี่แพ้อะไร